N: ความประสงค์นั <m> ้นจกสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิธิลาราชธานีอันมั่งคั่งกว้างขวางรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกรุงมิธิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีกำแพงและหอรบเป็นอันมากออกบวชได้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 ความประสงค์นั้นจกสำเร็จได้เมื่อไรเนอะเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคัง่งมีร้านตลาดจัดไว้ในระหว่างอย่างดีออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนอะเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคัง่งเบียดเสียดไปด้วยรถเทียมโคและม้าออกบวชได้ ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนอะเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งมู่ไม้ในที่เที่ยวสำราญออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนอะเมื่อไรเราจะละกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งมู่ไม้ในพระราชอุทยานออกบวชได้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 พระนามว่าโสมนัสทรงสร้างไว้ออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไรเราจะละแควนวิเทหะอันมั่งคั่งซึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงสะสมทัญญาหารเป็นต้นทรงปกครองโดยธรรมออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไร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 เมื name, ่อไรเราจกละพระตำหนักโยช์อันจ <net> ําแนกปันสมส่วนออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอะเมื่อไรเราจกละพระตำหนักโยช์อันฉาบทาด้วยปูนขาวออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอะเมื่อไรเราจกละพระตำหนักโยช์อันมีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจออกบวชได้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 เมื่อไรเราจะละสะโบกครณีอันน่ารื่นรมซึ่งนกจากพาคร่ำร้องแล้วดาดาดไปด้วยพันไม้น้ำทั้งปทุมและอุบลออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองช้างซึ่งประดับประดาไปด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและเหล่าช้างมีสายรัดทองคำมีสับประครับสาเร็จด้วยทอง มีควาญช้างถือโตมอนและขอเง้าวขึ้นขี่ประจำออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรเนอเมื่อไรเราจะละกองมา้าซึ่งประดับประดาด้วยสัมภารังการและเหล่าศิลปชาติอาชาในซึ่งเป็นพาหะเร็วอันเหล่าคนฝึกประจำถือดาบและแล่งสอนอยู่เป็นนิดออกบวชได้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 ซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ่มหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับประดาด้วยอลังการอารันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเ ม, มื่อไรเราจะละรถเงินซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ่มหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตร <c oughs>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 เมื่อไรเราจะละกองรถทีมเนื้อซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโครง่งประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองผลช้างซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะสีเขียวแกล้วกล้า ถือโตมอนและขอเงาออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองพลม้าซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะสีเขียวแกลวากล้าถือดาบและธนูออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละกองพลรถซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการ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 ซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสวมเกราะอันวิจิตแก้วกล้าถือกริออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะละหมู่พร้อมผู้ครองผ้าเครื่องบริขารครบครันทาตัวด้วยแก่นจันสีเหลืองทรงผ้ามาแต่แควนกาสีอันอุดมม่ออมัดผู้ประดับประดาด้วยเครื่องสำเพลอลังการ ข้าหารทรงเกราะเหลืองนำริ้วขบวนไปข้างหน้าและนางสนมกำนันประมาณเจ0ร้อคนซึ่งประดับด้วยเครื่องสัมภาลังการเอวบางเรียบร้อยดีแล้วเธอฟังคำสั่งพูดจาน่ารักออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหร่เนาเมื่อไหร่เราจะละพาชนะทองคำน้ำหนักร้อยปันละ จำหลักลวดลายนับด้วยร้อยออกบวชได้ความประสงค์นั้นจะสาเร็จได้เมื่อไรหนาเมื่อไรเราจักละกองช้างซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเรานางสนมกำนันเอวบางเรียบร้อยดีเชื่อฟังคำสั่งผู้จาน่ารักเป็นที่สุดผู้ติดตามเราไปเขาจักไม่ติดตามเราอันใด ความที่พวกนั้นนั้นไม่ติดตามเรานั้นจะมีจักเป็นได้เมื่อไรหนาะเมื่อไรเราจะได้ปลงผมผมผ้าสังคาติอุ้มบาสเที่ยวบินทบาทจักทรงผ้าสังคาติอันทําด้วยผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งไว้ตามถนนหนทางเมื่อฝนตกเจ็ดวันจะมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบินทบาท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 เมื่อไรเราจะตัดเสียซึ่งกมามสังโยชน์อันเป็นของทิพย์และของมนุษย์ดุดช่างรถตัดรองเท้าโดยรอบฉะนั้น